ก็ตัปีนี้เป็นตัวปีนี้เป็นการทำความเข้าใจเรื่องของบทสวดอันสุดท้ายคือว่าปุญญสิธานิกะดัตสะยญานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสตานันตาประมาณกากาศสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ <c oughs> จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมาตาปิตาทะโยนั้นเราจะเห็นว่าบทสวดมีความหมายว่าบุญกุศลที่เราทำปัจจุบันเนี่ย <c oughs> มันเป็นส่วนปัจจุบันธรรมซึ่งถ้าเราตั้งใจสวด เราก็จะเห็นว่าบุญกุศลเนี่ยมันจะไปสู่เรามาสู่เราเต็มๆเพราะตัวเราในวันนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดมาได้แต่เราเป็นพัฒนาการสูงสุดของบรรพบุรุษของเราเพราะนั้นแต่ละคนจะมีความผิดแผกแตกต่างกันออกไปตามวิบากบุญวิบา ก, กรรมบางคนก็ มีสุขภาพดีบางคนมีสุขภาพเสื่อมบางคนมีสติปัญญาดีบางคนมีสติปัญญาด้อยบางคนมีร่างกายเข้มแข็งบางคนมีร่างกายอ่อนแอบางคนมีความพ่อแม่ที่ ร, ร่ารวยมีหลักมีฐานบางคนพ่อแม่ก็ยากจนคนแค้นบางคนฉลาดบางคนโง่เขลาสิ่งเหล่านี้ มันไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเป็นขึ้นมามันจะต้องมีที่ไปที่มาบรรพบุพรุษของเราได้สร้างให้เรามากระส่งทอดกันมาหรือว่าอดีตชาติคําว่าอดีตชาติในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงบรรพบุรุษของเราเนเองเราณวันนี้หมายถึงบรรพบุรุษของเราเป็นร้อยรคนเนี่ยส่งทอดดีเอ็ต่อกันมาผ่านพ่อผ่านแม่เรียกว่าอดีตชาติของเราเลยแหละ บางชาติคนที่เคยบรเป็นพระบุตรของเราได้ประกอบคุณบุญกุศลต่างๆเอาไว้ก็ส่งทอดมาถึงเราบางชาติบรรพนพระบุตของเราบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐนะิเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะไปสร้างความทุกข์ไปทำร้ายผู้อื่นมากมายบางชาติบรรพินพระบุตของเราอาจจะไป ข, ข่มขืนชําเรา ลูกเมียเข้ามาบางชาติบัรพ์ผู้หลุดของเราอาจจะเป็นฆาตกรไปฆ่าใครมาบางชาติบรรพ์ผู้หลุดของเราอาจจะไปทําร้ายพระศาสนาซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จึงมาเป็นเราในวันนี้เราบางคนถูกทําร้ายถูกเอารัดถูกเอารัดเอาเปรียบ <c oughs> ถูกโกง เราใช้ได้ถูกอะถเปรียบถูกโกงถูกค่าถูกแกงก็อยู่ที่เราบางชาติเราถูกพ่อแม่เราไปทำอะไรมาสิ่งเหล่านี้มันตกทอดมาถึงเราหมดเราถึงมีความแตกต่างบางชาติไปทำให้คนอื่นได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปทำร้ายผู้ชาตินี้เราก็มาต้อง ได้รับผลแล้นั้นได้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ถูกขุมคื้นช้ำเราถือฆ่าถูกแกงถูกเบียดเบียนวิทาบรรพุรุษเราทําให้เราทั้งนั้นมาถึงสูงมาเป็นวันนี้ดังนั้นเราจะทําอย่างไรสิ่งที่บรรพุรุษของเราทํามามันแก้ไขไม่ได้แล้วแต่พระเจ้าให้ความหวังว่าเราสามารถแก้ไขได้ณปัจจุบันปรชาติไม่ว่าบรรพุรุษของเราจะสร้างบุญสร้างกรรมสร้าง เพราะสร้างเขนเวนกรรมมาก็ดีสร้างบุญกุศลมหาศาลบำเพญ็ญภาวนาสร้างสมถาวิปัสสนามาก็ดีก็จะมาตกแก่เราถ้าบรรพกุกุลของเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้ในทางไหนมามันก็จะมีแนวโน้มไปทางนั้นอย่างพวกเราทั้งหลายได้มาทางนี้เราก็เข้าใจได้เลยว่าบรรพุรุลของเราได้เคยเข้าวัดทำบุญทำสมถาวิปัสสนามาก่อนเราจึงมีวันนี้ บางคนบรรพุรุษไม่เคยสร้างสิ่งเหล่านี้มาแต่ว่าปัจจุบันใชาติบังเอิญมีมิตร ด, ดีมีสายดีมีครูบาอาจารย์ดีได้กลับมาตั้งต้นบรรพุรุษของตนเองใหม่หมายความว่าบรรพุรุษของเราไม่เคยสร้างสิ่งเหล่านี้มาแต่เราเป็นผู้สร้างให้กับอนุชนของเราในรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปที่จะเป็นลูกเป็นหลานมาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเข้าใจอะไรได้ไวกว่าเขาจะได้ทําได้ดีกว่าเราเพราะเราสร้างมาให้เขา เพราเราได้เริ่มต้นให้เขาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นบรรพุรุษที่ดีของเขาด้วยนณวันนี้เรามีโอกาสได้พบสถานที่ดีครูบาอาจารย์ดีคําสอนที่ดีเราก็ต้องตั้งใจดีตั้งความปรารถนาดีที่จะเรียนรู้ให้เต็มที่เพราะสิ่งที่เกิดที่มันได้ในวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันจะเป็นการสร้างบรรพบุทธเราจะสร้างเราตัวเองเป็นบรรพุทธของคนรุ่นต่อไปได้ด้วยพอเขาไปใน ชาติต่อไปเขาก็ลูกหลานของเราเขามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเขาจะเข้าถึงธรรมไวกว่าเราเพราะเราเคยสร้างไว้ให้เขาเหมือนกับเราบางคนเกิดมาเป็นลูกคนรวยเราจะเรียนจะศึกษาอะไรก็สติปัญญาดีจะเรียนจือเสืออะไรก็ไม่ขัดข้องเรียนไปได้ไกลเรียนไปได้เร็วเรียนไปได้สูงซึ่งตรงกับข้ามกับคนบางคนที่ เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ก็ไม่มีการศึกษายากจนแถมไปติดอับยาโม ก, กินเหล้ากินยาอีกต่างหากลูกก็การศึกษาก็แย่พ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสติปัญญาให้ลูกก็พลอยดื้อพลอยด้านพลอยอเสียผู้เสียคนติดยาติดเฮโรอีนติดฟินติดยาไอยาขยันไปมันมีที่ไปที่มาทั้งหมดไม่ใช่จู่จูมันจะบังเอิญจะเป็นขึ้นมา ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ก็คือเมื่อเรามีโอกาสได้พบในสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องตักตวงตั้งใจทําอย่างเต็มที่ไม่ใช่จะเอาบ้างเบื่อบ้างสู้บ้างไม่สู้บ้างนั่นหมายความเราขาดโอกาสที่จะพัฒนาตัวเราเอง mm. ขาดโอกาสที่จะแก้ไขบุพกรรมที่เป็นในอดีต mm. ขาดโอกาสที่เราจะตั้งต้นเป็นบันพบุตรที่ดีของลูกหลานของเราดังนั้นเองโอกาสที่เรามา พบเี้ยเราต้องทำให้ดีที่สุดนะทำให้ถูกต้องที่สุดสิ่งไหนเราไม่เข้าใจเราสงสัยเรางงหรือเราไม่แจ่มแจ้งต้องถามทันทีต้องข อ, อทำความเข้าใจทันทีไม่งั้นเราจะขาดโอกาสที่ดีของเราถ้าเราคืนปล่อยให้มันสับสนวุ่นวายงงไม่สู้ไปเรื่อยเรื่อยเราก็เสียโอกาสเสียเวลาของเราเหมือนกัน เพราะหลวงพ่อครบาอาจารย์มาที่มาในฐานะเป็นเพื่อนเป็นกันเองมิตรที่จะให้ข้อมูลให้แสงสว่างที่ถูกต้องในฐานะเรามาเป็นผู้ได้พบกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือโอกาสตักดวงเอาความรู้เอาความฉลาดความเข้าใจจากท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยที่ไม่ปล่อยปละละเลยเวลาให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องกลับไปเพราะโอกาสมันหายาก ดังนั้นเองเวลาเราสวดแผ่ที่ส่วนกุศลจึงมีความหมายว่าเราได้ชําระบาปอกุศลให้บรรพบ้หุษของเราด้วยและเราได้สร้างตนเป็นบรรพู้หุษใหม่ของอนุชนของเราด้วยในเวลาเดียวกันในขณะที่เรามาทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงงจัดว่ากิจโฉมนุสสปฏิราโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากที่สุด อันที่สองกิจฉังมัจจานะชีวิตต่างเกิดมาแล้วจะให้ทําแต่ดีไม่ทําชั่วเลยก็ยากที่สุดอันที่สามกิจฉังสัตมัสสวรังเมื่อเกิดมาแล้วจะได้ฟังในสิ่งที่เป็นอัตเป็นธรรมในฟิ่งที่จะนําไปสู่ความสู่ความเจริญไปภายภาคหน้าก็ยากที่สุดอันที่สี่กิจโฉพุทธานามุปปะโทเมื่อฟังธรรมสืบถาศึกษาธรรมแล้วที่จะให้เกิดบรรลุธรรมเลยเนี่ยก็ยากที่สุดเหมือนกัน ทั้งสี่ประการท่รานกล่าวว่าเป็นของยากแต่เราทำได้อันนั้นนักปลัดของพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อพุทธทาดจึงได้ประพันธ์เป็นบทกลอนไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนอย่างยุงมีดีที่แววขนหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ใครมีครบคนเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสรรจริงนี่ท่านให้คำนิยามออกมาเป็นบทประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเพราะอย่างยุงเนี่ยมันมีแววขนมันบอกถึงตระกูลของนกที่มีตระกูลสูงถ้าใจเราสูงว่าเราเป็นคนมีตระกูลเพราะอะไรหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคน คนเน่ยคำว่าคนเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเหมือนเอาของมาใสาใ่ในหม้อในไห้แล้วคนกันไปคนเกันมายังไม่แน่ว่ามันจะเป็นแกงอะไรนะมันยังไม่แน่ว่ามันจะสุกหรือจะดิบคนไปเอาของหลายๆอย่างเพชรทองของข้าวดินหินดินปนทรายเพชรนินจินดาเอามาปนกันในถังทั้งเดียวแล้วก็คนไปคนมาแล้วจะหยิบอะไรขึ้นมาจะหยิบ ทองหรือหยิบเงินหรือหยิบอิ่มหินดิบตะกัวหยิบเหล็กหยิบเพชรหยิบพลอยเราจะหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยคนไปคนมายังไม่แน่ว่าเราจะเป็นอะไรแต่พอเรามีบุญกุศลเราหยิบสิ่งที่ดีขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์มนุษย์หมายความว่าหยิบขึ้นมาหยิบใจขึ้นมาให้สูงขึ้นพัฒนาจิตให้สูงขึ้นเรื่อมนุษย์พัฒนาให้หมายความหยิบขึ้นมาจาก จ า, จากถังที่เราเนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงคือหยิบขึ้นมาจากที่มันปนปนกันะหยิบขึ้นมาแล้วถ้าตาเราดีแล้วก็จะหยิบสิ่งที่มีค่าถ้าตาเราไม่ดีแล้วก็จะหยิบสิ่งที่ไร้ค่าหยิบเอาก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดขึ้นมาเราก็เสียประโยชน์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์หากเป็นชากใจต่ําก็เป็นได้แค่เพียงคนหมายความว่ามันอยู่ในแหงในแท้งในถังอยู่มันต่าอยู่ ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบนั่นหมายความว่าเรามีดวงตาสว่างเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นเพชรอันนี้เป็นพลอยเอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นเงินอันไหมีค่าสุดหยิบอันนั้นแต่ถ้าหากว่าใจเราไม่สว่างใจเรามืดนะเราก็จะไปเห่อเอาหยิบก้อนดิบก้อนหินก้อนกรวดก้อนายซึ่งมันมีเยอะกว่าในถังนั้นอ่ะอัตราส่วนที่จะเป็นเพชรดินจินดา ม, มันมีน้อยแต่เป็นอิฐเป็นดินเป็นหินเป็นปูนมันมเยอะกว่าเราอาจจะหยิบ โดยที่ไม่ได้เห็นแล้มันแน่นอนต้องไปถูกของที่เยอะกว่าแต่พอเราจิตเราสะอาดจะสว่างเราสงบมาถึงว่าเรามีดวงตาเราจะต้องเลือกเอาเป็นอ๋ออันนี้เพชรอันนี้พลอยอันนี้มีค่าสูงอันนี้มีค่าต่ําเหมือนกันเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะเลือกอะไรอ่ะเมื่อยกจิตขึ้นมาตนแล้วเราจะเลือกเป็นอะไรจะเลือกเป็นเทวดาหรือเลือกเป็นอิน์เลือกเป็นพรมหมเลือกเป็นเทวดาชั้นไหนเลือกเป็นพรหมชั้นไหนเลือกได้ เลือกเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาสีนาคานาคาเลือกได้แต่เราจะหยิบถูกไหมเราจะมีดวงตาไหมแต่ถ้าสมมุติว่าตาเราไม่สว่างใจเราไม่สว่างไม่สาดไม่สงบเราเผลอไปเลือกสิ่งที่เป็นอันเบญภูมิเลือกความเป็นเปรตเป็นนรกเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในมนุษย์นี่เราก็จะมีคนประเภทต่างๆบา ง, างาคน เป็นคนใจร้ายโมโหง่ายเป็นคนอารมณ์เสียง่ายนั้นเรียกว่าไปหยิบใส่สัตว์นรกเข้าขึ้นมาใส่ใจตัวเองคนนั้นก็จะเป็นการเป็นคนโมโหหงุดหงิดอารมณ์เสียใครว่าอะไรไม่ถูกใจไม่ได้อารมณ์เสียนี่คนนี้ก็จะชอบโหดร้ายจิตใจโหดร้ายก็มีอยู่ในเมืองมนุษย์นี้ไม่ได้มีในมิติอื่นเลย อ, อีกคนหนึ่งไปหยิบใส่ภาวะที่เป็นเปรตเป็นคน มักได้คนขี้โลภเป็นคนชอบโชก ช, ชอบโกงชอบเอาของตนเองมาเป็นของคนอื่นชอบอกระเบียดเกรเสียนชอบโกงหาวิธีเล่ท์เล่ต่างๆจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองอย่างนี้ก็มีนี่เลือกไปหยิบความเป็นเปรตขึ้นมาใส่ตัวเองมีอยู่ไม่น้อยบางคนไปหยิบใส่ภาวะที่เป็นอสูรอสุรกายหมายความว่าเป็นคนไม่กล้าหาญ ชอบโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่นโดยที่กฎหมายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันในทันทีอย่างนี้ก็มีช่ อ, ชอโกงคอร์รัปชันโดยวิธีการต่างๆขอให้ได้แล้วดีทั้งนั้นเอาหมดไม่ว่าถูกกฎหมายหรือสินธรรมเราก็ไปหยิบเอาความเป็นอสูรในสายร่างกายและจิตใจของเราเพราะเราตาเราไม่สว่างบางคนไปหยิบเอาความเป็นเปรตเป็นเป็นสัตว์ขึ้นมาความเป็นหัวดือ้อหัวรัน ความเป็นผู้ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ของตัวเองนี่เราไปหยิบความเป็นสัตว์ขึ้นมาใส่ใจตัวเองก็มีอยู่ในมนุษย์ของเราในสังคมมนุษย์เหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าอบายภูมินั้นมาไหนว่าพอตายชาติหน้าเราจะไปเจอนั่นหมายความเป็นผลของมันแต่เหตุนั้นเราสร้างขึ้นมาในชาตินี้เองเมื่อเราสร้างเหตุมันขึ้นมาผลมันก็ต้องออกมาคือถ้าเราตกตายไปโดยที่ไม่มี การชำร้ายจิตให้สากเราก็ต้องไปเป็นสันนโรกเปรตอสุรกายตามเหตุที่เราสร้างเอาไว้มันมีเหตุที่จะต้องไปเป็นอย่างนั้นถ้าเราสร้างเหตุที่ดีเป็นมนุษย์มีศีลศีลห้าเป็นคนไม่หหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเรียวไม่พูดปดไม่หมดสติอันนี้เ็เริ่มเป็นมนุษย์ละ แต่พอเราลืมเราไม่ตาไม่สว่างเราเป็นคนโหดร้ายมือไวใจเรียวพูดปดหมดสติเราก็ตกไปเป็นอบายก็กลายเป็นสันรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนี่เห็นไหมเพราะนั้นผลของการเปิดดวงตานี่ยสำคัญมากตาสะอาดตาสว่างตาสงบใครมีครบคนเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสรรจริงไปสุขติ ได้เลยแต่นั้นการมาพบวิปัสสนากรรมฐานคือเรามาสร้างดวงตาเราไม่ใช่มาตามพิธีกรรมไม่ใช่มาตามหลักสูตรไม่ใช่มาตามทฤษฎีว่าว่าอย่างนี้แต่มาเพื่อเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติของตัวเองซึ่งมีความหมายกว่าหลักสูตรที่เราจะสอบว่าได้ไม่ได้เป็นปริญาหรือไม่เป็นไม่มีความหมายมีความหมายว่าเราสามารถเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเราได้ไหมเราจึงมีความสํานึก บุญคุณของผู้ที่จัดว่าให้เราได้มาพบสิ่งนี้ถ้าไม่มีโครงการอย่างนี้อย่างที่คณะกรรมการผู้ที่มีเมตตาธรรได้จัดขึ้นมาให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้นั้นเป้าหมายเพื่อได้ปริญาได้วุฒิบัตรไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราเป้าหมายหลักของเราคือได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจากอดีตที่เรามันมาไม่ดีไม่ถูกต้องให้มาดีให้มันถูกต้องและเราสามารถที่จะตั้งต้นเป็นบัพปุรุษของคนรุ่นต่อไปที่เป็นผู้ที่ อนุชนที่ดีกว่าเรานะดันั้นเองในช่วงที่พบหลวงพ่อที่นี่สี่ห้าวันจึงไม่อยากให้ประมาทวิธีใดที่มันฝืดมันฝืนก็ต้องใช้ความโอดทนเอหน่อยวนะิธีใดที่มันยุ่งมันยากก็าสามารถที่จะทําความเข้าใจได้นะดังนั้นเองปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีสิ่งที่ยั่วย้อมเมาเมาดึงดูดไปทางต่ํามากมายเพราะ ม, มาตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าเฟซบุ๊กอีเมลมือถือไลน์และสื่อต่างๆมีสิ่งชั่วร้ายมาได้ทุกทางแล้วแต่ใครจะเสพถ้าเราไปเสพในสิ่งที่ไม่ดีเราก็เอาสิ่งที่มันดีมาสู่ใจตัวเราเองถ้าเราไปเสพในสิ่งที่ดีเราก็สั่งสมสิ่งที่ดีมาสู่ใจเราเองแต่ถ้าคนไหนที่ตาไม่ดีตาบอดตามัวตาฝ้าตาฟ า, าฟงก็ไปหยิบเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ใจตัวเอง ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเขาส่งมาให้เลือกส่งลายมาให้เลือกส่งเฟซมาให้เลือกส่งอีเมลส่งอินเทอร์เน็ตส่งเว็บไซต์มาให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรอันนั้นคือเหมือนกับของที่มันรวมอยู่ในทั้งในในถังกล่าวมาเมื่กี้แต่ในนั้นมันก็มีเพชรมีพลอยมีทองมียองมีของมีค่าเยอะแยะเหมือนกันเราจะหยิบเอาไหมเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันมีในสิ่งที่เรื่องสุขภาพก็มี เรื่องธรรมะก็มีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจมีเยอะแยะไปหมดเท่าจะเลือกใช้เรื่องที่จะให้เราตกต่าเรื่องอวิธีการเทคนิคต่างๆที่จะขมโมยเทคนิคต่างๆที่จะเอาเปรียบคนอื่นเทคนิคต่างๆที่จะสนุกสนานในเรื่องของกามารณมเรื่องเซ็กก็เยอะแยะไปหมดแล้วเราจะหยิบอะไรขึ้นมาแล้วแต่ตาของเราถ้าตาเราบอดเรามัวเรา พลาดแล้วเราก็ไปหยิบเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งรบจิตใจทำให้จิตใจเราเสียหายอีกมากมายแต่ถ้าเราไปเลือกเอาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ก็ทำให้เราได้คุณภาพร่างกายและจิตใจแล้วสั่งสมในสิ่งที่ดีๆไว้ในกายในใจของตัวเองและแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ด้วยเรามีโอกาสได้ทำทานทาธรรมทานอีกต่างหากเพราะนั้นสื่อต่างๆมันเป็นกลางแต่เราจะสื่อลับของเราเนี่ย เราจะเปิดรับช่องไหนช่องสุขคติหรือช่องทุกคติช่องบุญหรือช่องบาปช่องนรกหรือช่องสวรรค์ช่องกุศลอกุศลเราเลือกได้อันนี้คือข้อดีของยุค ป, ปัจจุบันแต่ข้อเสียของยุค ป, ปัจจุบันถ้าตาเราพลาดเรามัวเราฟางังเราก็ไปเลือกเอาสิ่งที่เสียนั้นเราก็ตกนรกโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันดังนั้นเองการที่เราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติเรื่องนี้ จึงไม่อยากให้ประมาทไม่อยากให้มองข้ามเราได้พบภูมิมาดีแล้วเราจะสวยไม่สวยหล่อไม่หลอ่หลอรวยไม่รว ย, ยไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำคัญว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำใจของเราได้แบบไหนทำใจของเราให้สวยได้ไหมทำใจของเราได้ขี้เหร่ก็ได้ทำใจให้เราเป็นสุขก็ได้ทำใจให้เราทุกข์ก็ได้ทำใจให้พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีก็ได้พร้อมทำใจที่จะไปดีเสดในสิ่งที่ดีก็ได้ ไม่มีใครบังคับเราเลยในสินี้เป็นสิทธิของเรานะดังนั้นเองทุกอย่างในโลกนี้เป็นสื่อกลางให้เลือกเราจะเลือกสิ่งไหนเนี่ยเป็นสิทธิอย่างเต็มที่ไม่มีกฎหมายสินธรรมไหนบับังคับว่าคุณต้องเลือกสิ่งนี้แต่มันอยู่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตของเราว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่เยืยแย่ที่สุดมันก็จะมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะนั้นชีวิตของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางคนก็ดีตลอด เข้มแข็งตลอดสนิปัญญาดีตลอดบางคนก็สลับกันดีบ้างชั่วบ้างสุบบ้างทุกบ้างนะอารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างรวยบ้างจนบ้างฉลาดบ้างโง่บ้างสลับกันไปเพราะตาของเราบางครั้งตาดีบางครั้งตาเสียบางครั้งตาแจ้งบางครั้งตาบอดสลับกันไปเราถึงเลือกได้ดีบ้างเลือกเสียบ้างบางคนตาดีตลอดก็ได้สิ่งที่ดีคนนั้นเกิดมาพ่อแม่ก็ดี ตัวเองก็เรียนดีฉดีปัญญาก็ดีร่างกายก็เข้มแข็งได้พบแต่สิ่งดีๆก็มีแต่บางคนเกิดมาในพ่อแม่ยากจนพ่อแม่หลักฐานไมด่ดีแต่เราได้พบเพื่อนที่ดีได้พบครูบาอาจารย์ที่เรากลับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ต่างจากพ่อแม่คนละเรื่องเลยกับเป็นคนฉลาดมีการศึกษา <c oughs> มีความเข้มแข็งเพราะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีดังนั้นเอง ในประมะการิยานิมิตสูตรพระพุทธเจ้าถึงตรัส ด, ด้วยว่าผู้ใดได้เราเป็นการิยานิมิตแล้วพระอนุน <c oughs> ได้กล่าวกับพระพุทธเจ้าก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมดีเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสห้าว่าดูก่อนอนุน เธออยากกล่าวอย่างนั้นการมีมิตรดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์หมายความว่าไงว่าการมีมิตรดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมดีนั้นจะทําให้เราพ้นจากความคนไหนที่มีความเกิดก็จะพ้นจากความเกิดได้คนไหนมีความแก่ก็จะพ้นจากความแก่ได้คนนี้มีความเจ็บความทุกข์ก็จะพ้นจากความตายความทุกข์คนไหนมีความตายก็จะพ้นจากความตายได้ท่านบอกไปอย่างนั้นเป็นทั้งหมด หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าเรามีมิตรดีมีการยานมิตรการยานมิตรได้แก่ใครการยานมิตรได้แก่เพื่อนที่ดีคําว่าเพื่อนที่ดีหมายคุณหมายความพึงแนในสิ่งที่ดีแก่เราตลอดไม่เคยแน่ที่สิ่งที่เสียหายเลยเรียกว่าการยานมิตรคนนั้นอาจจะเป็นพระก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้อาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเราเลยเป็นการยานมิตร แนะนำและทำคดีเราตลอดเรียกว่าเป็นการณมิตรเราก็จะพอยเป็นคนดีกับเขาไปด้วยนะสองมีกรรัญญาณสหายกรยารณหายกับกาณมิตรต่างกันไงกัญยาณสหายหมายถึงเพื่อนร่วมงานอย่างที่เรามาปฏิบัติกัน20่สคนนี้เรามีกัญยาณสหายการณมิตรหมายถึงหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างห น, น้านี้เป็นกยาณมิตรชี้นํา ในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องให้เป็นกิรยานมิตรกิรยานิสายหมายถึงพวกเราที่นั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันในระดับเดียวกันนี่เป็นกิริยานสสายต่างคนต่างให้กำลังใจกันต่างคนต่างสนับสนุนกันต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกิริยานสสายเป็นกำลังใจให้กันและกันและมีกัยานสัมปองังกตาคือได้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่นี่เป็นที่สงบที่นี่เป็นที่สบายเป็นที่ ไม่มีอะไรมาลบกวนไม่มีคนไม่มีผู้ร้ายไอ้ขมโมยไม่มีใครมาเบียดเบียนให้เกิดความระแวงระวังแล ะ, ว, ะ ว, วิตกกังวลเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งเราได้คําว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอยู่สี่ความหมายหนึ่งอาวัชสปายะที่พักอาศัยพออยู่ได้สบายถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็อยู่ได้สบายสองอาหารสัปายะเรามีอาหารวินทบาตถึงเวลามาเอง โดยที่เราไม่ต้องไปหุงหาข่นขวายให้ลําบากสา ม, มีปุคระสปายะมีเพื่อนบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเราในที่นี่มีแต่คนดีไม่มีคนร้ายไม่มีคนเสียเลยเรียกว่ากริยาเรียกว่าสปายะที่เป็นบุคคล4ธรรมะสปายะวิธีที่เรานํามาปฏิบัติเนี่ยเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเรา เหมาะสมกับอินทรีย์ของเราเหมาะสมกับสติปัญญาของเราเรียกว่าธรรมสปประสปายะเพราะฉะนั้นคําว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสี่ความหมายหนึ่งที่อยู่สองอาหารสมบุคคลแวดล้อมสวิธีการปฏิบัติทั้งสี่ความหมายนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีกิริยาณสัมปวังคตาเมื่อเรามาพบในสิ่งเหล่านี้แล้วเรายังจิตใจเรายังเบลอยังหลงยังขุ่นยังมัว อย่างฟุ้งซ่านอยู่แสดงว่าพบชาติเราสร้างมาไม่ดีเราก็จะต้องปรับให้มันดีให้ได้ตั้งใจใหม่ใส่ใจใหม่สนใจใหม่ตั้งสติใหม่ได้เสมออันนี้คือข้อได้เปรียบของเราแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ตั้งใจไม่มีโอกาสได้ตั้งสติไม่มีใครมาเตือนไม่มีใครมาบอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ดีนะ่ ปัจจุบันได้นะเพราะนั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยให้ภูมิใจว่าเรามาที่นี่เราได้สภาพแวดล้อมได้กิริยะนิมิตรได้กิริยานิสายและได้สิ่งที่ที่แวดล้อมที่ดีหรือว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราเราก็ต้องภูมิใจและบริหารจัดการบุญกุศลนั้นเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นขยันในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกขยันฟังขยันธรำและ ขยันจดจําและบันทึกที่เรียกว่าสุจีปุริขยันฟังในสิ่งที่ดีๆขยันพิจารณาในสิ่งที่กําลังสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าขยันในการซักถามในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและขยันที่จะจุดจําบันทึกให้เป็นสิ่งที่เอามาทบทวนตรวจสอบในภายหลังได้นั้น ในเช้าวันนี้หลวงพ่ออยากจะบอกว่าพวกเราโชคดีที่ได้มีบรรพบุรุษของเราบางคนได้ทําสิ่งที่ดีจึงเป็นกําลังส่งทอดให้เราได้เข้ามาถึงจุดนี้ได้ถ้าบรรพบรุษของเราไม่ได้สร้างสิ่งนี้ไว้ก่อนเราเข้ามาที่นี่โดยบังเอิญเราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกกังวนกระวายเร่าร้อนอยากจะกลับบ้านแต่พวกเราอยู่ได้ทุกคนก็แสดงว่าบรรพบรุษของเราได้สร้างมาบางคนได้สร้างสิ่งที่ดีมาบางคนสร้างมามาก ก็มีความตั้งใจมากมีความเข้าใจมากมีความศรัทธามากนั้นหมายความบรรพาหลุษของเราหลายคนได้สร้างสิ่งที่ดีบางคนเข้ามาแล้วลล้าละ ล, ะลงังลังเลเอาบ้างไม่เอาบ้างตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็แสดงว่าบรรพาหลุษที่สร้างเรามาคนนั้นก็ยังไม่ตั้งใจทําเหมือนกันก็ส่งผลให้เราไม่ตั้งใจเหมือนกันอันนี้คือคือสิ่งที่มันเป็นมาในอดีตแต่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่เราแก้ไขตัวเองได้แก้ไขเหตุการณ์ที่เราประสบอยู่ได้นั่นคือตั้งตนให้เป็นคนใหม่อยู่เสมอสิ่งที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ณปัจจุบันเราแก้ไขได้ดยกตั้งตนเป็นคนใหม่เสมอเมื่อวานเราอาจจะตั้งใจไม่ดีเมื่อวานอาจจะไม่ใส่ใจเมื่อวานอาจจะทำะด้วยความประมาทแต่วันนี้ตั้งสติได้ใหม่อีกเพราะวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ดี วันนี้เราจะตั้งใจดีนะเพื่อชำระบาปอากุศสให้กับบรรพบุรุษของเราและเพื่อที่จะสร้างตนเป็นบรรพบุรุษใหม่ของคนรุ่นต่อไปได้นี่ดังนั้นเองก็อยากจะให้กํำลังใจพวกเราว่าอย่าท้ออย่าล้าเพราะเรายังมีอีกหลายด่านที่ต้องอเผชิญในในในอุปสรรคชีวิตของเรายังมีอีกหลายหลายสถานีที่เราจะต้องผ่านถ้าหากว่าเรา ผ่านได้สถา น, นีนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือให้สู้อุปสรรคต่างๆในในอนาคตที่จะเกิดในวันข้างหน้าเราจะต้องไม่นะท้อนะเพราะนั้นเองในการมาครั้งนี้ถือว่าเราได้หลายอย่างนะจึงไม่อยากจะให้พลาดโอกาสในการพัฒนาตัวเอง แล้วก็มีที่ที่เป็นสปายะที่เราเลือกใช้ได้กลางวันร้อนเราไปใช้ที่ลานใสตอนเช้าสบายเราไปใช้ที่บนเขาตอนเช้าตอนเย็นที่นี่กว้างขวางสว่างสวยเรามาใช้ที่นี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของสถานที่ตรงไหนพอทำความสะอาดได้ทำความสะอาดในช่วงไหนเวลาไหนที่ว่างจากกิจกรรมแทนที่เราจะมานั่งคุยกันให้เสียงดัง เราหาไม่กวาดทำความสะอาดรอบสาราตรงไหนมันกรกถุงหลังบุญกุศลเกิดได้ตละเวลาถ้าเราได้สติอย่างน้อยเราก็จะมาให้รกด้วยเสียง อ, อันดังเสียงจะเป็นมูลพิษอันหนึ่งถ้าหากว่าดังเกินไปมันจะไปรกเหมือนกับขยะขยะเราเช็ดแล้วกวาดทิ้งแต่ว่าเสียงพูดเสียงคุยที่ดังเกินไปเราก็ต้องกวาดทิ้งเหมือนกัน ให้มันเบาลงให้มันน้อยลงให้บรรยากาศที่สงบเงียบเพราะหลายคนก็จะประคองจิตของตนเองให้ได้สติได้สมาธิปัญญาได้ตลอดแต่แล้วเราสร้างมูลพิธโดยการเสียงดังลงเลงแล้วเนี่ยนอกจากเราจะไม่ได้อะไรแล้วเพื่อนเราก็จะไม่ได้ด้วยเพื่อนของเรากําลังประคองสติสมาธิเป็นอย่างดีพอถูกกระทบเสียงดังๆแรงแรสติสมาธิที่กําลังประคองก็กระจุยกระจายหายไป เหมือนเราได้สร้างบาปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันซึ่งวันนี้เราจะต้องเข้มขึ้นในแง่ของการรักษาความสงบให้รักษาว่าถ้าจะพูดก็ให้พูดเสียงเบาลงถ้าจะเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวให้ช้าลงอย่าไวและก็อย่าดังถ้าจะยกเข้ายกของก็ต้องระมัดระวังในการหยิบการยกให้เบาให้สบายนันเป็นการเพิ่มสติสมาธิปัญญาได้ตลอดเวลาถ้าเรามีความตั้งใจนะ ในนั้นเองในในเช้าวันนี้คิดว่าเป็นเช้าหนึ่งที่เราต้องตั้งใจใหม่ล้วผ่านมาเป็นวันที่สมแล้วผ่านมาเป็นวันที่สมนั้นวันนี้เราจะเรียนสติปัฏฐานในหมวดที่สว่าโดยดวงจิตตานุปัสสนาเมื่อวานเราเรียนเรื่องของเวทนานุปัสสนาวันนี้เรียนจิตตานุปัสสนาพรุ่งนี้เรียนธรรมานุปัสสนาถึงจะครบสี่ เพราะนั้นเรามีห้าวันวันสุดท้ายก็เป็นวันที่ทดสอบว่าสามวันสี่วันเราศึกษาเราตั้งใจเราเรียนมามากน้อยแค่ไหนเราก็วันที่สี่วันที่ห้าก็จะเป็นวันทดสอบทั้งวันซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมในในที่นี้คือการเตรียมใจถ้าใจเราดีใจเราเอาใจใส่ใจเราตั้งใจแล้วเนี่ยทําอะไรก็ดีไปหมดถ้าใจเราไม่ใส่ใส่ไม่ตั้งใจไม่เอาเอาใจใส่ สิ่งที่ดีดีก็พลอยเสียไปด้วยที่เตรียมมาดีดก็พลอยเสียไปด้วยนั้นการเตรียมการคือการเตรียมใจนั่นเองในแง่ของวิปสนากรรมฐานเพรานั่นเองหลวงพ่อเองนั้นมุ่งทําเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือมนุษย์สโลกโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเพราะถือว่าบรรพบุรุษของเราให้มาดีพอแล้วเราก็เอามาใช้แบ่งปันให้กับคนอื่นซึ่งเป็นกําไรของชีวิตแล้ว ปรารถนาว่าท่านทั้งหลายก็ต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันวันหนึ่งท่านได้ทําได้รับในสิ่งที่ดีๆจากครูบาอาจารย์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีจากมิตรสหายที่ดีเราก็จะต้องแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่คนรอบข้างและอนุชนรุ่นต่อไปได้ไม่ว่าเรื่องทางกายก็ตามเรื่องทางจิตก็ตามเราสามารถทําได้แต่ถ้าเราจะต้องมีคุณธรรมห้าอย่างหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะทําความตั้งใจ ที่จะทำความเชื่อมั่นที่จะทำสองเราจะต้องมีการลงมือไม่ใช่พูดแต่ปากลงมือทำตามที่เราว่าทำสิ่งนี้น่าจะดีทำสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทำสิ่งนี้น่าจะทำให้จิตใจเราสะอาดสว่างและสงบขึ้นก็ลงมือทำเรียกว่าวิริยะอันที่สามเราจะต้องทำอะไรแบบรู้เขารู้เรารู้การาเทสะเรียกว่าสติ อันที่สี่เราจะต้องมีความตั้งมั่นทางจิตใจเพราะในขณะที่เราทำ ส, สิ่งที่ดีนั้นก็มีอุปสรรคหลายอย่างมาขัดขวางมากระทบกระแทกมาพิสูจน์ความตั้งใจของเราถ้าเราไม่มั่นคงยิงเราก็ต้องค่อยๆและท้อเบื่อเราจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิอันที่ห้าเราจะต้องมีปัญญารู้วิธีการที่จะทาอย่างไร บางครั้งคนที่ทำดีแต่ขาดปัญญาตั้งใจทำดีแต่ว่าไม่ได้รับการตอบสนองหรือรับการตอบสนองที่ไม่พึงปรารถนานั้นเราขาดปัญญาเราจะไปโทษคนรับไม่ได้แต่โทษเราผู้ให้ว่าเราให้ไม่ถูกกาลเทศะให้ไม่ถูกบุคคลให้ไม่ถูกสิ่งที่เขาต้องการการตอบสนองจึงไม่ไม่ต้องใจของเรานั้นต้องมีปัญญารู้จักเลือกในการที่จะให้ รู้จักกาลาเทศะในการที่จะให้และรู้จักบุคคลที่จะให้ด้วยนะดังนั้นเองคุณสมบัติ5ประการนี้ใช้ไปได้ทุกเรื่องเรียกว่าภาระกําลังลญญทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้งหประการนี้เป็นเสมือนกําลังในการทําสิ่งที่ดีที่สุดเป็นกําลังที่สําคัญท่องไว้ในใจจําไว้ในใจให้ขึ้นใจเลยว่า ทำอะไรก็ตามต้องทําด้วยศรัทธาทําด้วยความเพียรทําด้วยสติทําด้วยสมาธิทําด้วยปัญญาอย่าทําด้วยความอยากเมื่อเราทําด้วยความอยากเราจะไม่สมหวังจะทําดีขนาดไหนก็ตามทําเพื่อให้เขาอยากให้เขาดีเนี่ยมันจะไม่ดีแต่ทําไปทําหน้าที่ที่เราปรารถนาดีทําไปตามหน้าที่เขาจะได้ดีไม่ดีเป็นเรื่องของเขาแต่ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นคือทําเป็นมีปัญญา ในสิ่งไหนที่เราคิดว่าดีก็ทําไปเขาจะรับไม่รับไม่ต้องไปบงังคับเขาแต่ชี้ทางว่าเออทางนี้แต่งทางสร้างทางให้เขาเดินเ <ME ez> ขาจะเดินไม่เดินเป็นเรื่องของเขาคนนี้ไม่เดินคนอื่นเขาเดินคนนี้ไม่ทําคนอื่นเขาทําเพราะคนมีบุญวาสนามาต่างกันคนบุญวาสนาไมาด่ดีเขาจะแต่งทางให้ดีข น, ดขนาดไหนก็ไม่เดินแต่คนวาสนาดีถึงแม้ไม่แต่งทางบุรีเขาสร้างทางเอาเองก็มีอันนี้จึงเป็นเหตุ ปัจจัยสําคัญที่เราจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้เพราะต้นงมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาดังที่ได้กล่าวมาทัา น, นั้นในช่วงเช้าวันนี้เราได้ลานําเรื่องของการใช้ชีวิตที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษและต้องสร้างตนหนึ่งให้เป็นบรรพบุรุษของคนอนุชนรุ่นต่อไปได้ด้วยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนี่การเกิดของเรา การเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ของเราก็ไม่คุ้มค่าเสียเวลาเกิดนะแล้วก็ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นคุณนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราก่อนเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เราต้องได้ประโยชน์กับสิ่งนั้นก่อนก่อนที่จะเอื้อหรือแบ่งปันประโยชน์น้ให้กับคนอื่นถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์กับเราเราพยายามจะให้คนอื่นก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนกันนะ ดังนั้นในวันนี้ตั้งใจให้ดีเป็นเรื่องสำคัญเราจะเรื่องเรงเรื่องจิตวันก่อนเรื่องกายเรื่องเวทนาดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่วันนี้เรื่องจิตเป็นเรื่องที่ละเอียดและซับซ้อนขึ้นเราต้องตั้งสติที่จะศึกษาให้ดีแล้วก็ลดมลพิษลดขยะลงมลพิษทางเสียงมลพิษทางกลิ่นมลพิษทาง <c oughs> อารมณ์ต่างๆที่เรายังหยาบยังดังยังแรงอยู่ให้มัน เบาลงเราก็จะบรรยากาศที่เอือ้อต่อการปฏิบัติจิตใจเราก็สงบง่ายขึ้นนะดัง <c oughs> นั้นเช้านี้ก็ขออุทนาสาธุที่เราจะตั้งจิตที่ดีเพื่อศึกษาในสิ่งที่ดีตลอดวันวันนี้เพื่อให้เราได้ดวงตาที่สะอาดดวงตาที่สว่างดวงตาที่สงบเลือกและพบในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีค่า สิ่งท th ี่สูงสุดด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ